ตอนการติดต่อวิญญาณการติดต่อวิญญาณโดยปกติมีอยู่3วิธีด้วยกันคือ 1. การเชิญลงถ้วย 2. การเข้าทรง 3. การเข้าสมาธิไปติดต่อ ในสาวิธีนี้การเชิญลงถ้วยเป็นวิธีที่เล่นกันได้โดยไม่ยากคนที่มีตัวเป็นสื่อขนาดพอสมควรก็อาจจะทำได้แต่ก็เป็นวิธีที่ไม่ค่อยจะแพร่หลายในปัจจุบันเพราะรู้สึกว่าเป็นวิธีที่ง่ายเกินไปไม่ค่อยมีปาฏิหาริย์และมักจะทำให้สงสัยว่าคนเล่นใช้ศิลปะเอามือดันกันไปเองและเป็นวิธีที่กว่าจะได้คาตอบก็ช้ามากเพราะถ้วยจะต้องเลื่อนไปตามตัวอักษรแต่ละตัว กว่าจะประสมเป็นคําออกมาได้จึงช้าและที่สําคัญที่สุดก็คือคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเหตุผลว่าถ้วยมันเลื่อนไปได้อย่างไรและคําว่าเชิญลงถ้วยนั้นหมายความว่าวิญญาณเข้าไปอยู่ในถ้วยและบังคับให้ถ้วยเลื่อนอย่างนี้หรือหรือว่าเป็นเพราะอะไรเรื่องผีถ้วยแก้วที่เป็นจริงก็มีอยู่ แต่การที่จะเล่นเรื่องนี้ถ้าหากไม่มีการทดสอบกันอย่างดีแล้วก็อาจจะถูกหลอกได้ง่ายที่สุดและการทดสอบที่ว่านี้คือต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่มีความสามารถเข้าสมาธิไปดูได้เมื่อมองเห็นว่ามีวิญญาณหรือโอปปาติกะที่เชิญมาอยู่ในที่นั้นจึงจะเชื่อถือได้แต่ถึงกระนั้นก็จะต้องรู้ถึงความจริงอีกอย่างหนึ่งว่า พวกโอปปาติกะทั้งหลายไม่ใช่ว่าจะรู้อะไรวิเศษไปเสียทุกอย่างและไม่ใช่จะเข้าใจอะไรถูกไปทุกอย่างเพราะพวกโอปปาติกะทั้งหลายก็ไปจากมนุษย์ความรู้นิสัยใจคอก็ได้ไปจากมนุษย์หมายความว่าเมื่อตอนเป็นมนุษย์อยู่เคยมีความรู้ความสามารถอย่างไรมีนิสัยใจคออย่างไรเมื่อตายไปเกิดเป็นโอปปาติกะ ก็คงมีความรู้ความสามารถมีนิสัยใจคอเหมือนเดิมซึ่งบางพวกก็อาจจะไปเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงนิสัยของตนเองได้บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะอยู่ในรูปเดิมไปจนตลอดอายุไขแต่คนทั้งหลายที่สนใจในเรื่องเหล่านี้มักจะสร้างความหวังเกินกว่าเหตุและมักจะคิดว่าพวกโอปป้าติกาทั้งหลายเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้น แม้กระทั่งคนธรรมดาสามัญหรือคนที่เล่าเมายาที่ตายไปแล้วถ้าหากติดต่อได้ก็มักจะให้ความเคารพเป็นพิเศษและเป็นที่เกรงกลัวต่างๆซึ่งความเป็นจริงแล้วพวกโอปปาติกะชั้นนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าตอนที่เขาเป็นมนุษย์อยู่นี่คือความงมงายของคนส่วนใหญ่ที่ไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ส่วนปัญหาที่ว่าถ้วยเลื่อนไปได้อย่างไรปัญหาข้อเนี้เคยอธิบายไว้แล้วในหนังสือผีและเทวดามีจริงแต่ที่นำมากล่าวไว้ในที่นี้อีกก็เพราะในขณะนี้คนที่สนใจในทางนี้มีมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความงมงายมักจะเชื่ออะไรเกินความพอดี การติดต่ออีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่าการเข้าส่งอันนี้ก็เหมือนกันในปัจจุบันแพร่หลายมากจริงๆคนที่สนใจเรื่องนี้มีตั้งแต่คนชั้นธรรมดาที่มีการศึกษาน้อยจนกระทั่งผู้ที่มีความรู้ได้ปริญญาสูงสูงอันที่จริงมันเป็นยุคของวิญญาณเพราะความเจริญในด้านวัตถุกำลังเป็นอันตรายต่อโลกอย่างมากมายคนทั้งหลายจึงได้พยายามสแสวงหาที่พึ่ง เพราะรู้อยู่ว่าเรื่องของวัตถุนั้นช่วยได้แม่เท่าไรนักจึงได้หันมาสนใจในทางนี้กันมากและในเมื่อหันมาสนใจทางนี้แล้วบางคนก็ได้เห็นข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้เพราะสามารถพิสูจน์ได้ก็เลยเชื่ออย่างฝังหัวคนทรงบอกอย่างไรก็เชื่อหมดทุกอย่างโดยที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าการเข้าทรงที่เป็นจริงนั้นมีลักษณะอย่างไร และไม่รู้ว่าแม้คนทรงที่เคยติดต่อกับวิญญาณได้จริงๆแต่ก็อาจจะติดต่อได้จริงๆไม่กี่ครั้งต่อมาภายหลังก็มักจะเป็นเรื่องที่ออกมาจากจิตไร้สำนึกของตัวเองแต่คนดูทั้งหลายแยากไม่ออกว่าเรื่องไหนจริงหรือไม่จริงคนที่สนใจในทางนี้ถ้าลงว่าเคยเชื่อกันมาแล้วก็มักจะเชื่อกันตลอดไปนี่คืออันตรายอย่างยิ่ง พระเจ้าเคยพูดมาบ่อยครั้งว่าการเข้าทรงที่แท้จริงนั้นหาดูได้ยากมากเพราะการเข้าทรงที่สมบูรณ์คือคําพูดทุกคําออกมาจากวิญญาณของผู้ที่มาเข้าทรงจริงๆไม่ได้ออกมาจากจิตไร้สํานึกของคนทรงเลยในกรณีอย่างนี้โปรดจําไว้ให้ดีว่าคนทรงจะต้องหมดความรู้สึกไม่รู้สึกตัวเลยแม้แต่น้อยเหมือนกับคนที่นอนหลับสนิทแล้วละเมอออกมา แต่ถึงกระนั้นเราก็ควรจะทดสอบให้แน่นอนอีกว่าในเวลาที่มีวิญญาณของผู้ใดผู้หนึ่งมาเข้าส่งนั้นมีข้อเท็จจริงอะไรบ้างที่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าได้มีวิญญาณมาเข้าส่งจริงเราจะไปเชื่อแต่เพียงว่าเมื่อคนท่งหมดความรู้สึกแล้วพูดอะไรออกมาก็เชื่อถือทั้งหมดเพียงเท่านี้ไม่พอข้าพเจ้าเคยแนะนาว่า ก่อนที่เราจะเชื่อคนทรงผู้ใดเราควรจะได้ทำการพิสูจน์เสียก่อนและวิธีพิสูจน์ที่ง่ายๆที่จะทำให้รู้แน่ว่าเป็นการเข้าทรงจริงๆซึ่งจะทำได้โดยไม่ยากก็คือเชิญโอปปาติกาหรือวิญญาณในสมัยที่เป็นมนุษย์เคยเป็นฝรั่งบ้างเป็นแขกบ้างเป็นจีนบ้างให้มาเข้าทรงและให้พูดภาษานั้นๆออกมาตามที่ตัวเองถนัด ถ้าปรากฏว่าคนทรงคนเดียวกันเวลาเข้าทรงสามารถพูดได้หลายภาษาได้อย่างชัดเจนถูกต้องมีผู้ชำนาญในภาษานั้นๆรับรองถ้าทำได้อย่างนี้ก็เชื่อถือได้ว่าคนทรงสามารถติดต่อกับวิญญาณนั้ น, น, นๆได้จริงแต่ทั้งนี้จะต้องสืบดูให้รู้แน่เสียก่อนว่าคนทรงไม่รู้ภาษานั้นๆเลย สมมติว่าเราทดสอบได้ข้อแท็จริงชนิดนี้ออกมาแต่ถึงกระนั้นก็อย่าเชื่อทุกครั้งเพราะคนทรงอาจจะเสื่อมได้และข้อที่ควรระวังอย่างมากที่สุดก็คือคนทรงส่วนมากไม่เข้าทรงบ่อยๆก็จะติดเหมือนถูกอัดไว้ด้วยเทปกล่าวคือในจิตไร้าสานึกจะมีอำนาจจิตของโอปปาติกะที่มาเข้าทรงฝังอยู่โดยไม่รู้สึกตัว ต่อมาภายหลังเมื่อทำพิธีเชิญวิญญาณของใครก็ตามให้มาเข้าทรงอีกคนทรงก็จะทำไปอย่างซื่อสัตย์ไม่ได้ตั้งใจหลอกแต่ครั้นแล้วจากอำนาจจิตที่ฝังอยู่ในจิตไร้สำนึกนั้นก็จะสามารถทำให้คนทรงแสดงกิริยาท่าทางและพูดออกมาได้เหมือนกับมีวิญญาณของผู้นั้นมาเข้าทรงจริงๆ แต่สำหรับในกรณีเช่นนี้จะสังเกตได้โดยไม่ยากเลยกล่าวคือถ้าหากคนท่งคนไหนสามารถเข้าส่งได้ทั้งวันทั้งคืนติดต่อกันไปเป็นเวลานานๆเช่นนี้ก็ขอให้เข้าใจเถิดว่ามันเป็นการเข้าทรงที่ออกมาจากจิตไร้สำนึกเพราะการเข้าทรงที่แท้จริงคนทรงจะทำอยู่ได้ไม่นานโดยมากก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงหรืออาจจะนานกว่านั้นเล็กน้อยแต่ถึงอย่างไร ก็ไม่ใช่ทั้งหวันแน่ๆเพราะการเข้าทรงคือการสะกดจิตผู้ที่เป็นคนทรงได้ถูกบังคับด้วยอำนาจจิตของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งจะทําให้เกิดการขัดแย้งระหว่างจิตของตนกับจิตของผู้ที่มาอาศัยร่างชั่วคราวขอได้โปรดจําไว้ว่าจิตไร้สํานึกนั้นโดยปกติมันทําหน้าที่ควบคุมการทํางานทุกอย่างภายในร่างกายฉะนั้น ในเมื่อมีอำนาจอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงการขัดแย้งจึงต้องมีซึ่งจะเห็นได้จากปฏิกิริยาที่แสดงออกเช่นตัวสัน่นหรือในบางรายก็ถึงกับเต้นผา ง, ผางอย่างนี้เป็นต้นคนทรงที่สมบูรณ์นั้นจะต้องเป็นคนที่มีสมาธิดี อย่างน้อยจะต้องสามารถหลับในสมาธิได้จึงจะเชื่อถือได้แต่ก็อาจจะมีได้สำหรับบางคนซึ่งเข้าสมาธิถึงขั้นนี้ไม่ได้แต่ก็อาจจะมีวิญญาณมาเข้าส่งได้แต่ถึงกระนั้นก็จะสังเกตได้ว่าผู้นั้นจะต้องหมดความรู้สึกตัวจริงๆตัวเองพูดอะไรหรือทำอะไรออกมาในขณะนั้นตัวเองไม่ทราบเลยเหมือนกับนอนหลับสนิทแล้วละเมอออกมา แต่ถ้าหากจะมีใครที่สามารถเข้าส่งได้ทั้งที่ยังตื่นอยู่หรือรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างในกรณีอย่างนี้จะต้องระวังให้มากเพราะมีทางผิดพลาดได้ง่ายมากและคนที่จะทำในลักษณะ น, นี้ได้ต้องมีตัวเป็นสื่ออย่างแรงซึ่งสื่อที่ว่านี้มีมาแล้วตั้งแต่เกิดบางคนอาจจะสงสัยว่าคำว่าสื่อหมายความอย่างไร และเกิดขึ้นได้อย่างไรเพื่อความเข้าใจในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะขออธิบายแต่เพียงสั้นๆดังต่อไปนี้ก่อนอื <ม avez S 1> ่นขอให้เข้าใจว่าวัตถุบางอย่างเป็นสื่อไฟฟ้าได้แต่บางอย่างก็เป็นสื่อไฟฟ้าไม่ได้ข้อนี้ฉันใดคนทั้งหลายก็เหมือนกัน บางคนพอเกิดมาก็มีตัวเป็นสื่อซึ่งคำว่าสื่อในที่นี้ก็หมายถึงว่าสภาพของจิตใจของผู้นั้นอยู่ในฐานะที่จะรับการถ่ายทอดอำนาจจิตหรือกระแสจิตของวิญญาณอื่นที่เข้ามาติดต่อได้คำว่าสื่อหมายความอย่างนี้บางคนถ้าเป็นสื่อทางตาก็หมายความว่า คนนี้เมื่อมีวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมาสะกดจิตก็จะเกิดการเห็นขึ้นมาถ้าเป็นสื่อทางหูก็ทำให้ได้ยินเสียงถ้าเป็นสื่อทางจมูกก็ทำให้รู้สึกกลิ่นถ้าเป็นสื่อทางร่างกายก็จะทำให้รู้สึกขนลุกอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ดีขอได้โปรดจำไว้ให้แม่นว่าคำว่าเป็นสื่อ หมายถึงสภาพจิตใจของผู้นั้นสามารถรับกระแสจิตของพวกโอปปปาติกะได้ง่ายและเมื่อรับได้แล้วกระแสจิต ท, ที่รับเข้ามานั้นก็จะทําหน้าที่เป็นเสมือนหนึ่งจิตของตัวเองในเรื่องนี้บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจชัดว่าเป็นไปได้อย่างไรขอให้คิดดังต่อไปนี้แล้วจะเข้าใจได้ง่าย ปกติการที่เราเห็นอะไรหรือได้ยินอะไรนั้นเป็นเพราะกระแสจิตของเราผ่านไปทางประสาทนั้นๆและสามารถรับอารมณ์ที่มากระทบทางประสาทแล้วก็แปลความหมายออกมาเป็นการเห็นการได้ยินเป็นต้นในขณะที่มีอารมณ์มากระทบทางตาหรือทางหูนั้นถ้ากระแสจิตไม่ผ่านทางประสาทส่วนที่ทำหน้าที่อันนี้แม้ตาหูจะเป็นปกติประสาทไม่พิการ แต่การเห็นการได้ยินจะมีขึ้นไม่ได้เพราะตามหลักที่แท้จริงนั้นที่พูดกันว่าตาเห็นหรือหูได้ยินความจริงก็คือจิตใจเห็นจิตใจได้ยินในเมื่อเราเข้าใจหลักวิชาอันนี้แล้วเราก็จะเข้าใจได้ง่ายว่าบางคนที่ว่าตัวเป็นสื่อซึ่งสามารถจะเห็นโอปปาติกะหรือได้ยินคำพูดของโอปปาติกะ หรือบางทีก็ได้กลิ่นนั้นเป็นเพราะอะไรแต่ปัญหาก็มีอีกว่าเพราะเหตุรายคนส่วนใหญ่ตัวจึงไม่เป็นสื่อความเป็นสื่อนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรความเป็นสื่อเกิดขึ้นได้เพราะเหตุดังต่อไปนี้คือ 1. บุคคลผู้นั้นเคยมีสมาธิดีมาแล้วตั้งแต่ชาติก่อนก่อน เพราะฉะนั้นจิตใจของเขาจึงมีความไวที่จะรับกระแสจิตจากผู้อื่นได้ง่าย 2. แต่บางคนแม้จะมีพื้นสมาธิมาดีอยู่ในฐานะที่อาจจะรับกระแสจิตของพวกโอปปัติกะได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะติดต่อได้ทุกคนเพราะกระแสจิตของคนเรามีคลื่นไม่เหมือนกัน แต่ถ้าหากคนไหนเคยมีความสัมพันธ์กับวิญญาณนั้นๆมาในชาติก่อนก็จะสามารถรับกระแสของคนนั้นได้ง่ายหรือถ้าจิตอยู่ในภูมิเดียวกันหรืออยู่ในระดับเดียวกันก็สามารถจะรับได้ง่ายแต่ถ้าระดับจิตต่างกันมากก็ไม่สามารถที่จะรับได้ด้วยเหตุนี้คนที่เป็นคนทรงถึงแม้จะเคยทําได้ดีแต่ก็ไม่อาจจะเชิญใครต่อใครให้มาเข้าทรงได้เสมอไป คนที่มีตาเป็นสื่อหรือมีหูเป็นสื่อก็เหมือนกันซึ่งถึงแม้จะเคยเห็นเคยได้ยินโอปปาติกะบางคนมาแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเห็นใครๆก็ได้ในเมื่อต้องการจะเห็นหรือจะได้ยินคำพูดของใครๆก็ได้ในเมื่อต้องการจะฟังความจริงมีอยู่เช่นนี้จึงได้เกิดความสงสัยกับคนทั่วไปในเมื่อมีใครมาอ้างว่าเขาเคยเห็นผี หรือเคยได้ยินเสียงหรือเคยได้กลิ่นของพวกนี้เพราะคนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้จึงไม่ยอมเชื่อถึงแม้เรื่องที่เขามาเล่าให้ฟังจะมีพยานหลักฐานชัดเจนแต่เขาก็จะไม่ค่อยเชื่ออยู่นั่นเองแต่ก็มีข้อที่น่าสังเกตอยู่ว่าถ้าคนไหนเคยมีประสบการณ์มาด้วยตนเองแม้สักครั้งเดียวเท่านั้น เขาก็จะเชื่อสนิทว่าสิ่งเหล่านี้มีจริง